ฟังทำกันต่ออีกเลื่อ้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมกินได้ฟังเอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บาแบร์ามไม่ทำได้ข่าวนี่ข่าวนาวคงจะทำได้ก็บอกความเท็จความจริงไม่ลี้ลับ การศึกษาเรื่องคิวตของเรานี่ไม่รีไม่ลับตรงกันข้ามเมื่อชิงใดที่อยู่ตรงกันข้ามก็ย่อมเห็นทั้งสองอย่างทันทีแม้กรกับบ้านตรงกันข้ามพอเห็นหลังหนึ่งก็เห็นหลังหนึ่งถ้ามองตรงกันข้ามคนเราฝังชีวิตของเราก็มี ตกกันข้ามคนรอบฝั่งที่เราเห็นอยู่มีอยู่แล้วสามารถจะเลือกได้ปฏิบัติได้ทำได้ไม่ใช่รี่รับแต่เราไม่ใส่ใจ ก็เลยหลงอยู่ผิดอยู่หลายโอบไปอีกฝั่งหนึ่งซะไม่ไปฝั่งหนึ่งเช่นความหลงก็มีความไม่หลงกวามรู้ก็มีความไม่รู้ความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ความโกรธก็มีความไม่โกรธตลอดั้งความแก่ความเก็บความตายก็มีความไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย นั่นอยู่ตรงกันข้ามรารศึกษาชีวิตเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเวลานั่นมาให้เห็นเองได้บทเรียนเองประสบการณ์เองปฏิบัติต่อจริงที่เราเห็นเองได้แม่ยามชัดเจนถูกต้องในอาชีพที่ไม่มีพึ่งพาอาศัยเจริงได้ เกี่กับชีวิตเราทุกชีวิตอยู่แล้วมีรูปมีนามมีกายมีใจเป็นสูตรที่เราต้องศึกษาเรียนให้จบซะถ้าไม่จบก็วนเวียนอยู่แค่นั้นหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกก็ไม่รู้จักศึกษาตัวนี้ วิธีการศึกษาก็ง่าย ม, มีกับเราอยู่แล้วมีสติสติก็มีการสารวมเห็นโลกเกิดมื่อทันาทาไหนกับรู้รู้รอบรอบสตินี่รู้รอบรอบถ้ามีสติก็มีสิกขาแต่ิึขา เกิดเป็นฉินเสมาที่ปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติไตจิกาก็ไม่เกิดเพราะไม่มีการ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนร้ายเป็นดีแตจิกาจะเกิดแต่เมื่อพื้นที่มันดีจึงเกิดขึ้นมาเมื่อเราปลูกข้าวปลูกพืช ไม่ใช่ไปปลูกในที่ที่ไม่เหมาะไม่สมเราจึงมีสติเหมือนกับทำพื้นที่ให้ตจจิขาเกิดขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อมีศีลเกิดขึ้นต่อลอ่าความชั่วทำความดีเมื่ สมาธิเกิดขึ้นก็รับของชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์เมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็รัของชั่วทำความดีปานี้ขึ้นไปเป็นฉีลอันยิ่งเป็นสมาธิอันยิ่งเป็นปัญญาตยิ่งาการจัดสิ่งที่จกปกออกละเอียดปาณี้ตปนกิเลสหรือกิเลสจางหยาบจางกลางจางละเอียด ของโกรธของโลกของหลงไปจิลิจางหยาบๆไม่เป็นอต่ดูส่ายตรงกันพอดีถ้ามีสติมันเริ่มต้นจากตัวลูกนี่แหละที่จะกอให้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีตัวลูกก็มีตัวหลงขอ ง, ของกายของใจ ความหล ง, ป เ, งเป็นเจ้าของกลายาเป็นเจ้าของจิตใจรับใช้เขาเป็นทาตของความหลงเป็นทาตของความคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นทาตของความโกรธความโลภความหล ง, ง, หลงดื้อดานหลงก็เฉือยอยู่ได้โกรธก็เฉือยอยู่ได้ทุกข์ก็เฉือยอยู่ได้ไม่รู้จักไม่ฝึกหัดตัวเองไม่สอนตัวเองไม่เคยกกับไม่เคยล้ำนา ก็เลยเป็นอยู่เช่นนั้นเขียชาติเราจึงเป็นหน้าเรื่องที่น่าจะรีบด่วนสักหน่อยวิธีปฏิบัตินี่เข้าตรงเลยไม่อ้อมแอมมีสติไปในกายก็รู้ได้ทันทีเอาการไปต่ออา เ ว, เวลาใดมันคิดมีสติรู้ฐานความคิดก็เอาความคิดไปตอกับสติมันก็พอดีกันไม่ได้ขอใครไม่ได้แบ่งให้ใครเป็นส่วนตัวหลงเองก็ต้องรู้เองมันก็มีรู้อยู่กับทุกอย่างคู่กันไปทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจเราดีเห็นหมด มาให้เราเห็นหมดชีวิตของเร า, าชีวิตของแต่ละคนเจ้าชีวิตที่ผิดพลาดแต่เจือเพลือเพื่อนต่างกันบ้างก็มีลกูกก็คิดถึงลกูกคนมีเมวคิดถึงแมวคนมีผัวคิดถึงผัวคนจนคิดแบบคนจนคนมีก็คิดแบบคนมีที่ใช่ผิดมิ้ รูปโกรธหลงว่เป็นนุษเป็นฉลิดไปโทรสาลุดง่ายที่จะโกรธบเคยเดินทางนั่นโมหะจะหลุดง่ายที่จะหลงเราห็รูปก็หลงหูได้ยินเสียงก็หลงจมูกได้กลิ่นนี่แหละโลดกายสัมปัติใจคิดก็หลงมันเคยเนี่ว่าโมหะจะหลุด หล่อ า, าจริญก็ปุงแตงอะไรก็เกิดเจริญตั้งหาพอใจไม่พอใจเราเห็นลูกพอใจไม่พอใจบัญญัติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเพราะเป็นชาติเป็นตัวเป็นตเนตเลยสมมติบัญญตัติถ้าเราว่าของเราเราก็เคยแบบนั้น พอมามีสติเหมือนกับลื้อถอนดูสักหน่อยดูตัวรูนี่มันเป็นตัวที่บ่งขี่ขี้วัดมันจะต่างกันอยู่หัดใหม่เมมันก็เอียงไปตามความหลงสร้างจังหวะชั่วโมงหนึ่งอาจจะหลงสิบสี่จังหวะสิบสี่วินาทีมัน จ, จะหลงไปมากกว่าสิบสี่วินาทีหรอ หรือครึ่งคึ่งึ้งกลางกลางเดินจงกรมเพื่อมงเหนือจะไม่รู้ทุกข้าวที่มันเคลื่อนไหวก็วต้องหาตนสอนตอนกระท่องจะจำเอามาได้ต้องสมผัดมันสนุกดีไม่ใช่ว่าจากลูก่ยากเส้นอย่าไปเอ้ดืดมาเกี่ยวข้องต้องเป็น การกระทาเฉยๆให้กรรมมันจำแนกไปเองเราลูบจึกตัวไปในกายอยู่นี่เวลาใจมันคิดขึ้นมาลูบจิกตัวอยู่นี่จะาไปเอาผิดเอาถูกกรรมมันให้ลูบไปมันสุกก็ลู้มันไปมันทูกก็ลู้มันไปมันผิดก็ลู้มันไปมันถูกก็ลู้มันไปมันเจ็บมันปวดแล้วที่มันแสดงออกก็ลู้มันไป เอาความรู้จักตัวไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกเหา๋วให้มันเป็นไปของมันดันอื่นรู้จักตัวไปก่อนแต่พิจะถูกก็กลับมานี่ก่อนอย่าไปหาเหตุหาผลคำตอบจาความคิดเอาการกระทำเป็นกรมจําแนกไปเองกรรมาฐานไปอย่างนี้ กรรมเป็นสิ่งที่จำแนกสัตว์ชีวิตเราต้องเป็นไปตามกรรมกรรมฐ า, านนี่เป็นกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จะล้างบาปล้างอกุศลได้เป็นคู่กันอยู่เหมือนกับสิ่งสุกปกมีแพบมีชบูมีน้ำล้างออก ก็ออกได้นี่เป็นวัตถุต่อวัตถุชีวิตของเราเป็นนามวัธรรมเป็นวัตถุธรรมโดยเฉพาะวัตถุธรรมกะว่ามังกรลู้จกแค่ไหนเพียงารเี่ยวกับควม ว่าถูทอนที่มันเกิดอาการต่างๆเกี่ยวข้องกับแค่ไหนเพียงไรเช่นอารบทเรียนที่แรกก็เห็นกายสักว่ากายแค่สักว่ากายไม่เกินนั่นเห็นเวทนาที่เป็นฉุก ป, ป็นทุกข์ก็แค่สักว่าเวทนาไม่เกินนั่นไปไม่เปิดตัวเป็นตนต่อไป เห็นจิต ท, ที่มันชิดก็สักว่าจิตไปไปก็แช่นั้นจบแค่นั่นไม่เกินไปอีกไม่พาไหลไปอีกเห็นธรรมก็สักว่าธรรมไปเข้าไปเกี่ยวข้องจนถึงก็พอใจไม่พอใจควาหลงควมง่วงความเป็นผู้ง่วงขวาอะไรต่างๆไม่ไปถึงไปนโน่นให้เห็นจากว่าธรรมเป็กุศลก็รู้เป็นกุศลความดี เว้นธรรมเป็นอกุศลก็เป็นความชั่วไม่ควรทำก็หยุดสาแค่นั้นความดีที่เป็นกุศลธรรมเลื่อยไปความชั่วเลอะพุะพื้นไปมันจะเหลืออะไรเครื่องมือแล้วก็ไม่อยู่ต้อไมาเก่งก็กลับมาอาศาัยนิมิตที่ตั้งกรรมาถานวิชากรรมฐ า, านเป็นวิชา เหมือนเต่ามีกระดองหดเอาไว้ว่าเข้ามามกระดองแต่กรมาฐานมาลูนะ่ซะเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์ปบินทตบาตต้มน้ำแม่น้ำคงคาไม่เต่าหาจิ้นอยู่ฝั่งแม่น้ำสุนัขจิ้งจอก เร่งมาจะกินเตา่าเต่าหมดเอาไว้ว่าเข้าในกระดองสุนักบา่าก็กินไม่ได้พระเจ้าเปรียบเทียบว่านี่พิกจูต้องหลอยเพื่อจึงเอาให้เต่าเป็นกระดองเหมือนกระเต่าหมดเอาไว้ว่าเข้ามาในกระดองก็มาถานมันหลงก่าลู่ในกระดองนั้นทุกข์ก็ลู่นี่กระดอง ทุก็เลยไม่เป็นทุกแต่ทุกเป็นทุกมันมีกระดองไม่มีกรรมฐานเบื่อยเบื่อยล่อนจ้อนถึงเมื่อถึงตัวน่โกดก็เป็นโกรธไม่ฝึกตนสอนตนถึงเจรจนเท่าหลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตายน่าเสียดายมันตรงกันข้าม ม่ได้มองหน้ามองหลังฝันขั้วฝันฝันฝังขั้วผู้ที่มีสติจะมีความเป็นกลางเห็นฝังซ้านเห็นฝังขั้วต้องมีเกิดความเป็นกลางขึ้นมาเมื่อมีความเป็นกลางก็เห็นแต่ว่าพูดว่าวันศุกก็เห็นวันศุกรวันทุกวันเห็นวันทุก น, กนี่คือความเป็นกลาง เป็นอย่างนี้คือสติคุณค่าของสติจริงล่านี้เหมือนเกิดขึ้นเจอตัวใครตัวมันต้องฝึกเอาเองไม่มีใครช่วยเราได้ในทีฝึกหัดก็มาโดยไปขอใครมีสิร้อยเปอร์ตามลงไปเมื่อมันหลงมีสทธิไม่หลง เมื่หมือมนทุกก็มีสิทธิไม่ทุกเมื่อเหมือมนโกรก็มีสิทธิไม่โกรกใช้ ส, สิทธิเต็มที่สวนตัวสวนตัวเราก็ให้สิ่งแวดล้อมให้สิ่งเหล่านี้เจอตัวเราปอที่จะหาได้ที่นี่พวกเราก็สนับสนุนกันสันเพื่อนเป็นมิตรกัน ให้โอกาสเจอกันแลกการให้มีโอกาสให้มีสติแต่พูดกันจะเถกท้ายจะกอให้มองท้งความรู้จักตัวเกีย่ยวข้องกันด้วยความรู้จักตัวหาับใจแพร่นอาแพร่ในมีให้เราศึกษาไปไหนมาไหนก็อยู่กับเรานี่แล้ว ไม่ได้จนเรื่องนี้ถ้าจะตั้งใจศึกษาถ้าไม่ตั้งใจก็จนมากไม่มีไม่ได้ศึกษาอาชีพทางจิตวิญญาณก็จนไปจนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาก็จนสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็จนไม่ ไม่มั่งมีภายในมัวแต่หาซาไปนอกเอาผิดเอาถูกเอาจิงเอาจังจนลืมจิดวิญญาณไป ถ, ถูกครอบคลุมปิดบังดุนคิดแต่ลมที่คุ้นคิด ติดมาถึงเวลานอนมือก็วางแล้วตาก็มืดแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็ยังมีกรรมมาคุ้คิดทำทางเกียดจนนอนฝันเพ้อฝันนอนไม่หลับเพราะความคิดตัวเองคิดแบบกัดต่อตัวเองให้เจ็บปวดจนทุกข์เพราะความคิดแต่สาความคิดเฉยเฉยก็เป็นทุกข์ น่าจะตื่นออกมามันจะบรรุธรรมตัวนี้ได้ตื่นคิดตื่นความคิดตื่นทุกแนวจริงบว่าพุโทโธนะมีสติก็เห็นนะถ้าไม่มีสติก็บอดเลยวเป็นดงดงความคิดนี่ เพื่อคนป่าคนดงเป็นอวิชายิ่งกว่าป่าอาวิชาความไม่รู้เมื่อมีป่าก็มีสัตว์้ายอย่างมัดเหล่านี้ทางตอนใต้ของสลาหัวตายขึ้นไปทางทิศฝนตกเป็นป่าทึบเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีพิษงูจวง ง, งูเห่าดง ผิดต่างๆมันเป็นป่าอวิชชาที่มาเกิดกับชีวิตเรานี่ยิ่งกลัวนอนอามล่ายกลัวเสือนี่เกิดจากความคิดทำลายความมากไม่เคยเห็นเสือ อีหนึ่งไม่เคยได้ยินเขาว่าเสือเกิดคนแต่ว่าอารมณ์เนมันออกต่อหน้าองเฉยพิมทุกวันก็ว่าได้ท้ายีเกิดจิงแวรล้อมสร้างสิแวรล้อมขึ้นมาหลงรถหลอมไม่รถถั่วมลณะรถทู่มลณะเต็กอับมลณะ มันตลายมากมายมันมีสติไม่รู้แลตัวเองเดยจุน่าจะมองชีวิตของเราดูจะเป็นยังไงจะเอายังไงดีบางทีเราก็น่าจะประท้วงมันดูแค่นี้ก็โกรธหรือคนที่โกรธให้ก็ไม่ใครที่ไหน หัวเมียกันลูกเต้าพี่น้องกันเพื่อนกันเป็นคนที่เกิดแจ็เจ็บายด้วยกันไม่มองเห็นจะได้ประโยชน์อะไรเวามันกรกก็มีเมตตาคุณาขึ้นมาสามารถทำได้ทวนมันก็แสลังแรงโดวยวิมองในแย่ดีไม่ใช่ชั่วทั้งหมด ไม่จิตไม่ใจชักหน่อยจับจังชังกจิตไม่ผัวมผุนผันผันแล่นหยุดหยุดชักหน่อยดูชักหน่อยสติเมื่อเราผูกขัดไป น, นานๆที่มันเป็นสติปัฏฐานเป็นมหาสติมันจะเป็นภาวะที่ดูที่เห็นเหมือนต่อภายในไม่ใช่ไม่ใช่เป็ น, นมันใจเห็นถ้ามันเห็นแล้วมัน มันก็ชอบไปทำจิตที่เห็นเท่นวันทุกข์น่ไปทุกข์เนี่ยมันข่มขืนตัวเองความไม่ทุกข์ก็มีอยู่การข่มขืนตัวเองนี่ดูมันลำบากมันบาปที่ชุดเลยไม่ใช่บาปไปทำให้คนอื่นนะตัวอื่นที่มีบาปก่อนจะไปต่อให้คนอื่นเป็นบาปเป็นความโกรธเนี่ตัวเองเป็นบาปแล้วความทุกข์เองเป็นบาปแล้ว ทำคนอื่นเป็นทุกข์ด้วยเองถ้ามีบุญสายใจมันดีมีเมตตาคุณาต่อทุกสภาวะสิ่งก็มีบุญก็ว่าต่อให้คนอื่นเป็นบุญบุญก็ไปต่ออบุญบาปไปต่ออบาปมันก็อยู่ที่เราดีจะไปหาการเท่ไหนอยากได้บุญก็ทําใจดีๆ มีความสุขหมายถ้าใจดีกินเชียบนอนหลับบ่ใจได้ล้ลยกินเท่าเชียบบ่นอนหลับบ่ถี่ไม่ดีเกิดโรคกระเพาะเกิดโรคแทรกซ้อนความกดดานอารมณ์ปุงแต่งทําให้สภาพร่างกาย ผ, ผ, ผิดผินผันไปไม่ถูกที่ถูกทางเมื่อแต่คิดให้ลงโทษตัวเอง อารมณ์เข้าไปก่อนเมื่ออารมณ์เข้าไปในชีวิตแล้วในกายในใจเช่นเลือดก็ผิดเพี้ยนไปกระเพาะก็ไม่ย่อยกระเพาะไม่ยืดกินข้าวไม่ลงกินลงไปแล้วก็ไม่ย่อยอาหารตายเป็นโรค ก, ก็พอได้เป็นโรคประสาทหงซ่านอารมณ์เนี่ยมาปล่อยตัวเป็นอย่างนั้นเลย ดีไม่เป็นอย่างนั้นมีอยู่เนี่ยมาฝึกตนสอนตนจะได้ใช่ให้ถูกต้องจะทำเป็นจะทำไม่เป็นทํามันอื่นเป็นอยู่แต่ทําเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นให้มันชนั่ว น, นิชั่วนาญเป็นปริญญาได้ย่าตาปริญญารู้แล้ว ตีเระือขนาปัญญาแจกแจงไม่มีตัวมีตนเลยเป็นอาการธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเองต่ตๆต่ออีท่ปาปัญญาเหมือนอาจารย์พุทธาธิบายเราไม่รู้หรอกแต่ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นเช่นนั่นเองปัหาณน้าปัญญาทำให้หมดไปได้มันหลงไม่หลงก็ได้เริม่มหลงก็หมดไปแล้ว บรนทุกไม่ทุกก็ได้หมดไปแล้วมาเท่าไหร่เปลี่ยนร้ายเป็นดีนี่คือหลักปฏิบัติธรรมให้ชีวิตของเราได้ทำเรื่องนี้ขอให้สถานที่นี้เป็นที่ฝึกขัดชีวิตเราเพื่อจะได้ชีวิตต่อยอดชีวิตไปม่มาต่อยอดใหม่ให้มีโอกาส บางทีจิตเวทล่อมไม่ดีก็ยากจำบวกอินชีไม่ได้อยู่ในดงรูปอยู่ในดวงเสียงอยู่ในดงกลิ่นอยู่ในดงรสอยู่ในดงการสัมผัสอยู่ในดงขวางขวมคิดจวนในคิดจวนในหลงอยู่เสมอ าหารหัสจะให้อินจีมันแจ๊ก้าขึ้นมาได้หลงเป็นลูกหลายข้างหลายโหนไต้ผิดเพี้ยนถูกหลายข้างหลายโหนมันจะเจ๊ก้าขึ้นมาเมื่อเหมือนเจ๊ก้าขึ้นมาเกิดดอกออกผลมันยอดไม้เมื่อเหมือนเจ๊ก้าเกิดดอกออกผลได้ถ้ามันคาดอยู่เรื่อยมันก็ไม่เกิดดอกเกิดมาขนได้ อินทีไม่เจ๊ ก, ก็หนองจาปลูกต้นจานไว้ต้นถงงก่าวไว้ที่หน้าสำนักงานไปดูเมื่อวานนี่เห็นมันออกดอกโอ้ปลูกต้นจานออกดอกแล้วปูกอะไรก็ออกดอกแล้ะมันเจ๊ ก, ก้าไม่มีอะไรมาทำลายมัน ต้นไม้ต้นไผ่ต้นไม้ต่างๆถ้าอยู่นานก็มีแก่นได้งานได้ปีตของเราก็มีแก่นแนต่ตองชีวิตเราคือมันหลงไม่หลงทุกข์ไม่ทุกข์โกรธไม่โกรธผิดไม่ผิดมันจะมีแก่นขึ้นม า, าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีแก่นผู้ดใดไม่มีแก่นก็ทนทนไม่ค่อยได้ ขาดง่ายผุพังง่ายเหมือนพระพุทธเจ้าว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีแกนศาลจึงผู้ใดมีมรรคผลเป็นแกนศาลที่จะจนอยู่ได้ขี้ผิดขี้ถูกอยูเสมอเราก็พยายามขี้ผิดขี้ถูกกับเราเสมอ มันเข้มแข็งตรงที่มันอ่อ น, อนเอารำบังง่วงเข้มแข็งขึ้นมาตื่นขึ้นมาดมันจะมีกินได้มวมาง่วงก็อ่อนเอายมือก็ยกไม่ขึ้นตาก็เลือนไม่ขึ้นแลหลับอะไรก็หมดเรี่ยงหมดแรงก็อ่อนไปเลยถ้าเราฝึ ก, กนก็ตื่นขึ้นมาได้ฝึกทวนกเ็เฉาะจักหน่อย เปลี่ยนในบทอันใดอันหนึ่งมือรูปทั่วนิ้วปารูปตารูปไปตามตัวเกิดมือเหกิดแขนยกมือขึ้นสร้างจังหวะเคลื่อนไหวแรงๆตั้งตัวใหม่ตั้งต้นใหม่ทำใจใหม่ทำกายใหม่เริ่มต้นใหม่ชีวิตถ้าเฝึกใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอถ้าไปเฝึกไม่เริ่มต้นใหม่มันจะเข็ดหลบับนั่งนานๆเดินนานๆ ง่วงก็ง่วงอยู่นั่นนานๆคิดก็คิดอยู่นั่นนานๆไม่ตั้งต้นใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมีเทคนิคมีศิละปะมีเยอะแย ะ, ยะามาใช้ได้แต่ที่บวชตั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนกู้ยืดเคลืยะยะยะ่อนไหวเยอะแยะแต่าราใดที่มันไม่เหมาะสมก็ย่าไปยุกตมากเกินไปเห็นรีด จนเองเกินเกินไปบังคับจนเกินไปก็ไม่ดีการสอนตัวเองก็ให้มีน้ำนิ่มน้ำนวล น, น้ำโบกน้ำใจเมื่อเราฝึกช่างฝึกมาฝึกหัวฝึกควายฝึกสัตว์ถ้าละไปเบื่อไปเอาจริงจังเกินไปมันก็ ไม่รู้เรื่องหลังก็เลียงขึ้นมะพ้าวอา้ารย็สอนเลียงขึ้นมะพร้าวให้มีคนเตียวเป็นคนบอกมีน้ำใจส่งเสียงดีๆตรงเสียงให้ดีเออเออไม่ไมก็กระจับเชือกด้วยเวลามันขึ้นไปแล้วบอกขึ้นไปไปไป มันก็ว่ามันก็ไปมองตัวก็บอกมันจับมะพร้าวน่าจับมันก็ไปจับลูกหนึ่งไม่เอาลูกหนึ่งไม่พอมาจับเออเออเออเออแล้วเออหัวลอยมันท่งเสียงนิ่มนิ่มไม่ลิงออู้มะพร้าวอ่อนลงมาให้เจ้าของ ถ้าบอกว่ามันเอามะพร้าวมะเข้าถ้ามันเอาเพียงก็ไม่ไมยเอ า, าจับลูกไป ม, มันจับถูกมาพร้าวมะเข้าแล้วก็เออนั่นละ่ะก็เปลดลงเปลี่ยนลงดีมีคนหลายคนขี้โวยวายไว้ออนั่นออเดอร์นี้นนนเดยมันไม่รู้เรื่องลงมาเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็บรร น, นี้คนที่บอกไป อย่าพูดคนอื่นอย่าพูดให้ผมคู่คนเดียวมันขึ้นไปโวยวายกันมันเกินไปเทียวเกินไปไม่รู้เรื่องหัดบัวหัดควายใส่คาดใส่เขียดเทียมโรอเถมเกลียนเหมือนกันบางทีไปตีมันจนไม่มันก็ไม่รู้จะให้ทํำยังไงอะไรก็ตีเอาเดีเอาไม่เอางานเอาการหนีไปเลย บางทีก็นอนไม่ลุกเลยยอมตายตีเท่าไหร่ก็ไม่ลุกตายเท่าไหร่ก็ตีเลยนอนน้ำตาไหลไม่รู้เรื่องน้องตานี่เป็นเป็นคนหัดฝึกหัวเทียมเกวียนฝึกขีม่ม้าให้ม้าวิง่งเจ็บลูกวิ่งให้ดีๆแต่บางคนหัดไม่เป็น หัดวิ่งไม่เป็นบิ่งก็ไม่ไม่นั่งไม่สบายดากแตกกระโดดตกๆๆต้อตะคิกสายบังเหียนใช่ไหมเวลามันกระโดดเักสากกบังเหียนเนี่ยจำบ่าบอกมันรู้เรื่องมันโดดที่ซักสายบังเหียนสับสายบังเหียนซักแล้วมันนิ่งแล้วมันนิ่งก็มือแตะหลังไหลมันไปไปไปไปไปขัวางให้มันด้โดด ก็เหมอนโดเทียดีบขาก็าไปถีบขาก็าไปชักราเมเองยห็นก็ไปให้มันวิ่งเดียบรยบีหัดไม่ขี่หวันกี่เช่าแตะกอนหัดมากเมื่อก่อนที่ชื่อมาใหม่ให้มาหัดเนี่ยเราต้องหัดขี่วิ่งมีทางวิ่งไปวิ่งมาหัดตรงก็เหมือนกันนะ ตึกตัวเองก็เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ง่ายๆจะไปเครียดเกินไปไม่ได้หลงก็เอาจริงเอาจังจนหน้าดำคําเขียนลูปไปในรูปอื่นก็ได้ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้รูอย่างเินไปก็ได้ลูปบ๊อทําทใจสบายฝึกไ ป, ไ, ปไม่ใช่รีดเกินไปเดินจงกงเดี๋ยวเขิดหลบับ จะลาบใต้ถ้าใช่ไม่ถูกไห้รู้เรื่องต้อก็สอนแเองโดยเวลามันผิดนั่นแหละถ้ามันไม่ผิดก็ทําไปสบายๆเวลามันถูกก็รู้ตรงนั้นแ่ะไห้รู้ตรงที่มันผิดเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกจที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเออใจช่วยกันขอเป็นกองเชียร์ เอาเลยเอาเลยอย่าไปกลัวเมื่อว่ า, วา น, นี่ก็คพืกับคนป่วยที่อกรุงเทพพวกคนโลกมาเล่นเหมือนเราแล้วก็ท้อเหมือนกันจะให้กําลังใจเขาก็อย่าไปกลัวเลยเอียอย่าเอาเลยมาเป็นต่อรองชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตเราเราก็สู้ ได้ปวดเรือนที่หลวงพ่อสอนว่าไม่เป็นอะไรกับอะไยนี่จะเห็นมันเห็นมันปวดเนก็มีโอกาสแต่นี่ให้กีโมกำ ล, ล, ล, ลังฉายลังสีใ้ร่มวันเลงอยู่ตรงเช่นเลือดใจญ่พอดีเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็จะปวดท้องด้วย เพราว่าลดหลงเล่าส0นิปรนก้อนเนื่อที่อยู่ในหลวงม่อแล้วาพอไปหวดหลวงพ่อกับหลวงพ่อเออเตรียมหลวงพ่อจะเตรียมบาดไไปให้นะเตียมกีวนไปให้นะจีวนอย่างดีบาตรอย่างดีนะเตรียมไปให้แล้วมาเลยเดี๋ยวจะไปรบอบทำใจดีๆนะ นาผทั้งขัวทั้งเมียเขาก็ดีใจเพราะนั้นการฝึกตนสอนตนต้องเคลียร์กันบ้างทำลายทุกชีวิตนั่นแหละทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีสิทธิไม่ได้เป็นพระอริหันวันนี้เป็นพระอริหันวันข้างหน้าแน่นอนต้ามีสิตินะไม่ได้ถึงบาคทั้งผลวันนี้ วันหน้าจต้องถึงมรึงถึงผลถ้ามีสติมันก้าวไปอยู่เรื่อยๆนี่หลงเป็นลู่หลงเป็นลูเนี่ยคนที่ก้าวไปอยู่เนี่ยมันต้องถึงแน่นอนอย่าไปถึงก่อนถึงเราลู่อย่างนี้แหละเกิดไหลขึ้นมาก็ลูไล่ไปลู่ไปไม่ใช่มองกันแบบคนชั่วเร็ยวชามพวกเรามองกันแบบมองถึงความเป็นพระของครุขีวิต ประโยชนมันเป็นอย่างนั้นเพื่อการนี่โดยตรงคิ้วของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเราฝึกตนสอนตนมาอยู่ที่นี่อย่าไปคิดอย่างอื่นเก่งอกเก่งใจบางทีถวายปัจจัยใค่นี้สงไม่อยากให้พูดอย่างนั้นทำบุญไม่มีนี่ที่นี่ไม่มีนี่ ไให้เป็นนี่ของสุธินังของที่มาอยู่ที่เป็นสุทธินังเราก็เพื่อให้เราสำรับจุนให้เราทำความดีให้มีโอกาสจะได้เป็นคนดีเกิดขึ้นมากๆเินคนช่างกติเขาก็บอกว่ากติของหนูนี่ช่างไหว เพื่อให้คนมาอยู่ถ้าคนมาอยู่เขาใดบุญออกดอกถ้าไม่ไม่มีคนมาอยู่บุญก็ไม่ออกดอกเขาจะมีดอกบุญเพราะมีคนมาใช้กะติเขาได้บุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ข่าวว่ากะติระนั่นมีคนมาอยู่บ่อยๆเขาก็มีความฉุกดีออกดีใจไม่ร้างให้ หนูทุกแกดูมีคนมาใช่บุญออกดอกเอาข้ า, าวเรากินเราฉันข้าวเยีงเขาก็มีบุญเมื่อ็ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อของเราไ ม, มา่มาเกิ ด, ม า, กดมาเกิดผลเม็ดข้าวน้าแยงเกิดมาเกิดผลไม่ใช่ให้เราเฉยๆเป็นเม็ดข้าวม็ดแยงเอาสิ้นวัตถุมาต่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคเป็นผล คนที่ให้ก็มองไปแบบนั้นคนที่ใช้ก็มองไปแบบนั้นก็มีสงฆ์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ปฏิฆะหกครับก็มีผลไม่ใช่ชีวิตทำความดีว่าย้าย ก, ก็ผู้ให้ก็ไม่ของฉกเพืจะได้เกิดคนดีเกิดขึ้นมานคนดีเกิดขึ้นมาเป็นคนฉกพลอยเย็น สันติสุขสันติภาพในชีวิตของสัตว์โลกบ น, น, นั้นี่ขอให้ที่นี่เป็นอย่างนั้นอย่าไปอย่าว่าใช่นี่สงไม่มีไม่มีนี่ที่นี่ถ้าเป็นนี่สงหลวงพ่อเป็นนี่มากแล้วกวดฉี่ฉี่ผ้าฉี่ผแล้วไม่ได้เป็นนี่นะเอาวันนี้ก็สงควรเจเวลา